เป็นธรรมเนียมของการปฏิบัติถ้าฝนตกก็จะนั่งสมาธิกันพอพูดก็ไม่ได้ยินเสียงยงั้นตอนนี้เรามานั่งสมาธิกันไปจนกว่าฝนจะหยุดหยุดแล้วจะเริ่มพูดธรรมะให้ฟังต่อไป พวกเราก็ได้มาฟังธรรมในรูปแบบหนึ่งคือในแบบของธรรมจัดสรรคือฟังเสียงธรรมชาติฟังความจริงที่เรียกว่าสัพเพธรรมะอนัตตาคือเป็นสิ่งที่เราไป ควบคุมบังคับไม่ได้เช่นฝนตกเราจะไปสั่งให้ฝนหยุดเพื่อเราจะได้มาฟังเทศฟังธรรมกันก็ทำไม่ได้การปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นธรรมอนัตตาก็คือต้องทำใจของเราให้เป็นอุเบกขา ทำใจของเราให้นิ่งเฉยอย่าให้เกิดความอยากขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ถ้ามีความอยากให้ฝนหยุดก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นเหมือนฝนตกแดดออกเป็นธรรมะอนัตตาเหมือนกัน แต่พวกเรามักจะไม่มองว่าเป็นสัพเพ ธ, ธรรมาอนัตตาเรามักจะมองว่าสัพเพธรรมาอตาเป็นของเราเป็นตัวเราเราสั่งมันได้สั่งให้มันทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเวลาที่มันไม่เป็นไปตามคำสั่งของเรา เราก็วุ่นวายใจกันไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบังครังก็อยากจะเป็นบ้าไปเพราะไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามความอยากนี่คือการสร้างความทุกข์ให้กับเราเองโดยที่เราไม่ได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้า มาสอนใจสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปบางเวลาเราก็สั่งได้บางเวลาเราก็สั่งไม่ได้ดังนั้นในเวลาที่เราสั่งไม่ได้ สิ่งที่เราสั่งได้ก็คือใจของเราเราสั่งใจของเราให้ปล่อยวางได้ให้วางเฉยได้ให้เป็นอุเบกขาถ้าเรามีปัญญามีการฝึกทาใจให้สงบให้เป็นอุเบกขามาอย่างต่อเนื่องพอถึงเวลา ที่เราต้องทําใจให้เป็นอุเบกขาทําใจให้ปล่อยวางเราก็จะทําได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราฝึกทาใจให้สงบกันอยู่เรื่อยๆตอนนี้ใจของเราไม่ชอบความสงบเพราะกําลังของกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชา มีกำลังมากจึงจะไม่อยากจะตั้งอยู่ในความสงบเวลาที่เราจะทำใจให้สงบจึงเป็นเหมือนกับการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีกำลังมากกว่าเราเราจึงมากจะทำใจให้สงบกันไม่ค่อยได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราทำน้อย เรามีความเพียร น, น้อยมีความอดทนน้อยพอนั่งสมาธิได้ไม่นานก็อยากจะเลิกนั่งแต่ถ้าเรามีความเพียรมีความพยายามมากมีความตั้งใจมากมีสติที่ต่อเนื่องเราจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของเราได้ คือกิเลสตัณหาความอยากความโลภในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเวลาเรานั่งสมาธินี้เราต้องต่อสู้กับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกิเลสอยากจะดึงใจของเราให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเราต้องใช้สมาธิใช้สติ คอยดึงใจให้เข้าไปสู่ความสงบความเป็นอุเบกขาจึงเป็นการต่อสู้กันระหว่างสติกับกามฉันทะคือความอยากในการอารมณ์ต่างๆนี่แหละคือคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของพวกเราที่ทำให้พวกเรานี้ไม่สามารถได้พบกับ ความสุขที่แท้จริงได้อยู่ที่ความอยากในรูปเสียงกลินรสผลิตภัณฑ์นี่เองเราจึงต้องสํารวมเอ็นสํารวมตาหูจมูกกลิ้นกายอย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปดื่มอย่าไปรับประทานสิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็นที่จะต้องดูต้องฟังต้องดื่มต้องรับประทาน ถ้าเป็นสิ่งที่ต้องดูต้องฟังต้องดื่มต้องรับประทานก็ต้องให้มีประมาณพอประมาณเช่นเวลารับประทานอาหารเวลาดื่มน้ำเพื่อดูแลรักษาร่างกายก็ควรจะรับประทานควรจะดื่มพอประมาณพอต่อความต้องการของร่างกาย อย่าปล่อยให้ดื่มปล่อยให้รับประทานไปตามความอยากเพราะจะทำให้เกิดปัญหาตามมาก็คือจะเกิดความอยากตามมาแล้วเวลาเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ตามมาถ้าเราดื่มเรารับประทานอาหารตามความต้องการของร่างกายพอร่างกายรู้สึกอิ่มแล้วเราก็หยุด ถึงแม้ว่าอาหารจ ะ, อระเอร่อยขนาดไหนเราก็ต้องไม่ดื่มไม่รับประทานต่อถ้าทำอย่างนี้ต่อไปความอยากจะรับประทานอาหารก็จะไม่มีจะรับประทานตามความต้องการของร่างกายเวลามานั่งสมาธิก็จะไม่มีความอยากมาคอยรบ ก, กวนใจของเราทำให้ การดึงใจให้เข้าสู่ความสงบจะง่ายขึ้นเพราะคู่ต่อสู้ของเราอ่อนกำลังลงเราจึงต้องพยายามตัดความอยากทุกรูปแบบเพื่อที่จะได้ลดกำลังของความอยากที่เป็นศัตรูที่คอยต่อต้านไม่ให้เรา ได้เข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่อุเบกขาปล่อยวางถ้าเราไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่เราต้องปล่อยวางต้องวางเฉยเราจะทำไม่ได้เราจะต้องทุกทรมานไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น แต่ถ้าเราทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้เราจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่มีอุเบกขาเรามีความอยากทางตาหูจมูกพื้นกายอยู่แต่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากความต้องการของเราได้เวลานั้นใจของเราจะ มีแต่ความทุกข์ทรมารแต่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบได้ทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนการทำใจให้สงบนี้จึงเป็นเหมือนกับการเตรียมยาไว้รักษาโรคใจเราต้องมียารักษารร่างกายไว้ในบ้านเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะได้อิบยามารับประทานได้ทันท่วงทีฉันใดเราก็ควรที่จะมีธรรมะโอสถคือความสงบไว้คอยรักษาใจเวลาใจเกิดความอยากเกิดความโลภขึ้นมาเราก็ทำใจให้สงบทำใจให้ปล่อยวางพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปสั่ง ไปห้ามไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนที่เรารักก็ดีหรือเวลาที่ร่างกายเขาจะต้องตายไปก็เช่นเดียวกันเราต้องทําใจให้ได้ทําใจให้เป็นอุเบกขาถ้าเราจะไม่รู้สึกอะไรจะไม่รู้สึกเศร้าโศดเสียใจ ไม่รู้สึกมุ่นวายใจเราจะอยู่อย่างปกติสุดได้ไม่ทุกไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อซะเพื่อเตรียมยารักษาโรคใจเอาไว้นั่นเองยาที่สำคัญที่สุดก็คือสมาธิความสงบนี่แหละ ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสงบถึงแม้เราจะมีปัญญาเช่นเรารู้ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลาเกิดเหตุการ์ขึ้นมาเราจะทำใจไม่ได้เราจะทำใจให้เป็นอุเบกขาทำใจให้เฉยกับเหตุการ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เราจะวุ่นวาย ทุกทรมานใจดังนั้นปัญญาถึงแม้ว่าจะสําคัญอย่างมากต่อการทําลายความอยากต่อการทําลายความทุกข์ถ้าปัญญาไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาจะไม่มีแรงที่จะฆ่ากิเลสปัญหาได้ปัญญานี้เป็นเหมือนมีดเหมือนคนที่ ใช้มีตัดไม้ถ้าคนใช้มีตัดไม้ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้รับประทานอาหารก็จะไม่มีกําลังที่จะไปตัดไม้แต่ถ้าได้พักผ่อนหลับนอนได้รับประทานอาหารมีกําลังวังชาเวลาไปตัดไม้ก็จะตัดไม้ได้อย่างง่ายดายใจก็เหมือนกัน ใจก็มีมี่คือปัญญาแต่ใจไม่มีสมาธิไม่มีกำลังหวังชาเพราะใจไม่ได้เข้าสมาธิพอถึงเวลาจะตัดกิเลสตัณหาก็ตัดไม่ได้เพราะว่าไม่มีกำลังนั่นเองดังนั้นอย่าไปฟังผู้ที่เขาพูดรอกว่า ไม่ต้องฝึกสมาธิใช้ปัญญาเลยจเจริญวิปัสนาเลยอันนี้ก็จะขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาที่ทรงสอนสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาดัางนั้นเราต้องจเจริญสมถะภาวนา จเจริญความสงบเจริญสมาธิให้ได้ก่อนแล้วการใช้ปัญญาของเราก็จะเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมานี่คือหลักของการปฏิบัติธรรมต้องมีทั้งสมาธิต้องมีทั้งปัญญาถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็จะเพียงแต่กดกิเลสปัญหาไว้ชั่วคราวไม่ให้ทำงาน เวลาที่อยู่ในสมาธิเวลาออกมาจากสมาธิกิเลสตัณหาก็จะออกมาเพ่นพ่านถ้าไม่มีปัญญามาสอนใจให้หยุดกิเลสตัณหาก็จะไม่รู้ก็จะหยุดไม่ได้ปัญญาจะเป็นคนบอกว่าตอนนี้กำลังเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากให้สิ่งนั่นสิ่งนี้เป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี้พอปัญญาบอกว่าต้องหยุดอย่าไปอยากเพราะอยากแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยากไม่แก่ก็เปลี่ยนแปลงความแก่ไม่ได้อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เปลี่ยนไม่ได้อยากไม่ตายก็เปลี่ยนไม่ได้มีแต่จะสร้างความทุกข์ใจไปตป่าๆควรถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากนี้เสีย แล้วอยู่กับความแก่ไปอยู่กับความเจ็บไปอยู่กับความตายไปสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราสัพเพธรรมานตาสิ่งที่ตายคือร่างกายร่างกายก็คือดินน้ำลมไฟนี่เองมาจากดินน้ำลมไฟพอตายไปก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ทามาจากดินน้ำลมไฟ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็มีวันสิ้นสุดลงไม่มีอะไรที่จะอยู่ไปได้ตลอดมีแต่ว่าจะไปช้าหรือจะไปเร็วเท่านั้นเองแในที่สุดก็หมดสภาพกันไปกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟกันไปหน้าที่ของเรามีหน้าที่ศึกษาความจริงเพื่อไม่ให้หลงไปยึดไปติด ตปอยากให้เขาไม่เป็นไปตามความเป็นจริงของเขาก็ะจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยเปล่าประโยชน์หน้าที่ของเรานี่มีอยู่ตรงที่การหยุดความทุกข์ความทุกข์จะหยุดได้ก็ต้องหยุดเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากความอยากจะหยุดได้ก็ต้องมีปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เป็น น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจของเรามักจะไม่ยอมเห็นความจริงอันนี้ใจของเรามักอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตานิจจังก็คือถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงสุขขังก็มีแต่ให้ความสุขกับเราอัตาก็คือเป็นของเราอยู่ภายใต้คําสั่งของเรา อันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมาแก้ไขความรู้สึกนึกคิดของเราแก้จากนิจังสุขขังอัตตาให้เป็นอ น, นิจังทุกขังอนัตตาพอเราแก้ให้เป็นอ น, นิจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะปล่อยวางอยู่กับความจริงฝนตกก็อยู่กับฝนตกไม่ได้อยากให้ฝนหยุดฝนหายไป มีเหตุการณ์อะไรที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขทําอะไรได้เราก็อยู่เฉยๆทําใจให้เป็นดูเด็กขาใจของเราจะไม่ทุกข์เราไปเปลี่ยนแปลงไปห้ามเหตุการณ์ต่างๆไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะเหตุการณ์ต่างๆนี้เผายิ่งใหญ่ตาเราหลายร้อยเท่าเราตัวเท่าหนูเราจะไปสู้กับช้างได้อย่างไร ความจริงต่างๆนี้เป็นเหมือนช้างตัวความอยากของเรานี้เป็นเหมือนหนูอยากไปสู้กับช้างอยู่กับช้างตามช้างดีกว่าช้างจะทำอะไรก็ปล่อยให้ช้างทำไปแล้วเราจะไม่คุกจะไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องของการปฏิบัติของเราขอให้พวกเราพยายามทำสมาธิให้หามาก จะลอาสติให้มากๆาเพราะสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการมีสติสติต้องต่อเนื่องต้องทำใจให้อยู่ในปัจจุบันไม่คิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอานาคตไม่ปรุงแต่งไปกับเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับร่างกายก็ได้ให้เข้าดูร่างกายไปทุกกีเดียบทของการเคลื่อนไหว หรือให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วเราจะสามารถทําใจให้เข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วก็จะสบายจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายจะไม่เดือดร้อนกับการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็จะอยู่เหนือความทุกข์ เรียกว่าหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวเราที่จะต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่สามารถปฏิบัติให้เราได้ไม่สามารถเสกเปล่าให้เราได้มากผลนิพพานแต่พวกเรานี่แหละสามารถ ใส่เปล่าให้มากผลนิพพานเกิดขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติของเราด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแล้วผลก็คือมากผลนิพพานขั้นต่างๆก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าสมควรแก่เวลาทิมขอยุติ ไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรออยะถ า, าวาเลงวาหาปุราปานิงปุเรนติสาขาลางเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรารปฏิอิจิตังปฏิตังตุนหังพิตาเมวะสันิจตุสพเลปัวเรนตุสังตะปา จัมโทภนาระโสยถา o มณิโชติจัมรโสยถาสัพพิจิโยวิวัตจัมโทสัพพโรโควินาศตุมังเตภวตวันตาบายุสุขิทิฆายโกภวติวะธมสีมิจฉานิจ a าาจโน ตะตาโลภนาวะทันติอายุวโนสุขงังภาลัางคนนี้ผลตกอีกแล้วจะนั่งสมาธิต่อก็ได้นะมีอะไรรึเปล่าเราจะถามหรึเปล่า มีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่าโยงฝากคำถามมาครับถามมาเลยภาษาไทย <laughs> ได้ได้ We have some question in Thai โอเคคุณฝากมาอย่างนี้ครับต่อไปเป็นคำถามที่โยงฝากถามมานะครับ ที่ต้องอาบัตก็มีการโปรงอาบัตอยากถามว่าแล้วผู้ที่ถือศีลแปดผู้ศีลควรจะปฏิบัติตนอย่างไรก็แบบเดียวกันการโปรงอาบัตก็คือการสานึกผิดในการกระทำผิดของตนด้วยการไปประจานตนเองต่อผู้อื่นไปแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าได้ทาบาปไว้แล้วก็ขอ สารภาพบาปนี้เพื่อที่จะได้เป็นการลงโทษตนเองให้อับอายขายหน้าและเพื่อที่จะได้ไม่ทําซ้ําอีกนี่คือความหมายของการโปรองอบัติไม่ได้เป็นการล้างบาปบาปที่ทําไปแล้วนี่ล้างไม่ได้เพียงแต่ว่าการโปรองอบัติการประจานตนเองว่าได้ทําบาปนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้ทําบาปใหม่ าเราปกปิดเก็บไว้เงียบคนอื่นไม่รู้เราก็อาจจะทำช้ำซากต่อไปได้แต่ถ้าทุกครั้งที่เราทำบาปแล้วเราต้องไปบอกพูดให้เขารับรู้เราก็จะมีความกระดากอายก็จะทำให้เรามีความระมัดระวังในการไม่ทำบาปต่อไปนี่คือเจตนาของการปงอบัติ แต่ไม่ได้เป็นการลบล้างบาปที่ได้ทําไปแล้วบาปที่ทํานี้ก็มีหนักเบาเหมือนกับการกระทําผิดกฎหมายก็มีโทษหนักเบากดทําบาปทําผิดกฎหมายบางอย่างก็ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรนะอะรอลงอาญาคือไม่ไม่ลงโทษก่อนให้โอกาส แก้ตัวถ้าทำซ้ำอีกถึงจะถูกลงโทษการปรงอระบาดก็เป็นลักษณะเดียวกันให้รอลงอาญาก่อนแต่ถ้าทำซ้ำซากก็ควรที่จะศิกขาลาเพศไปไม่ควรที่จะอยู่ต่อไปในเพศของนักบวชเพราะไม่สามารถที่จะปฏิบัติรักษาศีลของนักบวชได้ แล้วก็มีโทษที่ไม่สามารถรอลงอาญาได้เมื่อทำผิดแล้วก็ต้องถูกลงโทษทันทีของภาาก็คือปาราชิกสี่ข้อคือหนึ่งฆ่ามนุษย์สองลักทรัพย์ 3, สามเสพกามสี่ปวดคนวิเศษที่ไม่มีในตน ถ้ากระทำผิดแล้วนี่ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีถ้าเป็นทางกฎหมายก็ต้องโทษประหารชีวิตไม่มีการอรอลงอาญาไม่มีการยกโทษไม่มีการอภัยโทษถึงแม้ว่าตนเองถึงแม้ว่าผู้อื่นจะไม่รู้ว่าตนเองได้ทําผิดศีลสี่ข้อนี้แล้วก็ตามข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อนี้แล้วก็ตามก็ถือว่าตนเองไม่ได้เป็นพระแล้ว ไม่ได้เป็นนักบวชแล้วถ้าเป็นเหมือนต้นตาลที่ยอดมันด้วนแล้วไม่มีวันที่จะเจริญได้อยู่ไปในเพศของพระก็จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าได้นี่คือเรื่องของการทำบาปทำผิดศีลผิดธรรมมีข้อเดียวเหรอมีครับ คุณสมบัติของอุบาสิกาที่สมบูรณ์ควรปฏิบัติตนอย่างไรในวงเล็บเคยถามพระท่านบอกว่าเป็นโยมผู้หญิงก็เรียกอุบาสิกาทั้งหมดอันนี้ก็คงจะอยู่ที่การให้พ่ อ, อจำกัดความของคำว่าอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาที่เรา เข้าใจก็คือผู้ที่ถือศีลแปส่วนพุทธมามะกะคือผู้ที่ถือศีลห้าถือพระพุทธรรรัตนะไตาเป็นสาระเป็นที่พึ่งเิ้งถ้าเราถือศีลห้าถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งของเราเราก็เรียกว่าเราเป็นพุทธมามะกะเราเป็นชาวพุทธเราทาบุญใส่บารรักษาศีลห้า ไหว้พระสวดมนต์ไปตามกำลังของเราถ้าเราจเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติเราอยากจะปฏิบัติให้สูงขึ้นเราก็ถือศีลแปดกันผู้ที่ถือศีลแปดนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะถือศีลแปดที่บ้านก็ได้จะถือศีลแปดที่วัดก็ได้แล้วแต่ความสะดวก ถือศีลแปที่วัดก็จะทําให้ง่ายกว่าถือศีลแปที่บ้านเพราะจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าในวัดจะไม่มีสิ่งที่จะมาทําให้การรักษาศีลยากแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนี้อาจจะยากเพราะสิ่งแวดล้อมไม่อานวยไม่เอื้ออํานวยเช่นตอนเย็นก็ยังมีคนในบ้านเราที่เขาไม่ได้ถือศีลแปด เขาก็จะรับประทานอาหารเย็นกันเขาจะดูละครดูทีวีจะมีเครื่องบรรเทิงมหัศลศพถ้าเรารักษาศีลแปดมันก็อาจจะทำให้เรารักษาไม่ไหวพอเห็นคนอื่นเขารับประทานอาหารแนละ้วน้ำลายก็ไหลใจก็อยากจะรับประทานด้วยจึงมีการนิยมไปรักษาศีลแปดที่วัดกันไปรักษาในพระอุโบสถ ก็เลยเรียกว่าอุโบสถศิลความจริงก็คือศิลแต่นี่เองเพียงแต่ว่าไปรักษากันในพระอุโบสถอย่างตามธรรมเนียมของวัดตามต่างจังหวัดนี้ในวันพระนี่ อ, อุบาสิกุบาสิกาก็จะไปค้างคืนที่วัดก็จะไปทํากิจกรรมในพระอุโบสถฟังพระเทศไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันแล้วก็นอนในพระอุโบสถเลย ตอนเช้าค่อยพอได้สว่างแล้วถึงจะกลับบ้านกันนี่คืออุบาสกอุบาสิกาส่วนพวกที่มาเช้ามาวัดตอนเช้ามาใส่บาทฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ถือศีลแปดถือศีลห้าพวกนี้เราก็เรียกว่าพุทธมาม ก, กะชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธเราก็คือ ทำบุญตัด บ, บาทให้ทานรักษาศีลห้าไหว้พระสวดมนต์ทใจให้สงบตามกําลังที่จะทําได้แต่ไม่ได้ถือศีลแปดไม่ได้อยู่วัดอยู่ว่ากอนแล้วเหรอขอขอพระอาจารย์เมตตาขยายความครับพระที่ต้องอาบัติประราชิกต้องขาดจากความเป็นสงฆ์เนี่ย ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งจับใจเนี่ยสามารถกลับเข้ามาบวชใหม่ได้ไหมครับไม่ได้แล้วและพระที่ต้องอบัติประราชิกแต่ไม่มีใครศึกไม่มีใครจับศึกและไม่ศึกเองไม่ศึกตัวเองเนี่ยนอกจักอยู่ไปเนี่ยจะไม่ได้อา น, นิสงส์งการบวชแล้วก็จะมีแต่กรรมบาปต่อไปใช่ไหมครับก็อยู่แบบโจรในคาบในผ้าเหลืองเนี่ยอยู่ไปแล้วก็จะเศร้ามองเหม่นหมองไปเรื่อยเพราะอยู่แบบ ชอบฉนอยู่แบบหลอกลวงคนที่จีจิตใจชอบฉนหลอกลวงนี่จะหาความสุขไม่ได้ความสุขนี่เกิดจากความบริสุทธิ์ของใจของศีลศีลไม่บริสุทธิ์ใจจะไม่สงบดะงั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ต้องรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนใจก็ต้องเป็นใจบุญคือ เมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีความตนันหนีความโลภพระเจ้ า, ถ, าจถึงสอนให้ทําทานก่อนแล้วก็รักษาสี่งให้บอยสุดแล้วถึงจะภาวนาได้ทาใจให้สงบได้พระอาจารย์ครับแล้วผู้ที่พระที่ต้องอาบัติกราชิกแล้วศึกออกไปเป็นโยมเนี่ยครับมีสิทธิที่จะหลุดพ้นนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติถึงก็หลุดพ้นได้แต่ถ้าเป็นผ้าแล้วยังปฏิบัติไม่ได้ไปเป็นโยมนี้คิดว่าจะยากนอกจากต้องเป็นแบบองคุลิมานอย่างนี้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติถึงเหตุถึงผลได้แต่คงจะเป็นไปได้ยากเพราะถ้าขนาดอยู่ในผ้าเหลืองยังปฏิบัติไม่ได้ แล้วมาอยู่ในเพศของคารวาสจะปฏิบัติได้อย่างไรคำถามอีกข้อหนึ่งเป็นคำถามที่คล้ายๆกันครับครับคุณตีครับก็บ ถ, าถามมาว่าก็าผมมีความสงสัยว่ากรณีพระสงฆ์กระทำผิดพระวินยัยจะมีโทษอย่างไรและตกนรกหรือไม่ก็ <S <S 2> <S 2> อย่างที่พูดไ้แล้วไงว่าโทษก็มีสองสองขั้น คือขั้นที่ยังที่จะอรอลงอายาไว้ได้อยู่กับขั้นที่ต้องต้องรับผลที่จะไปตกนรกหรือไม่นี่ก็อยู่อยู่ที่บาปที่ทำไว้ถ้าฆ่าผู้อื่นนี่ก็ต้องตกนรกไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะอย่างพระเทวทัตพยายามเพียงแต่พยายามฆ่าพระพุทธเจ้าก็ยังต้องไปตกนรกเลย ถือว่าเป็นการกระทํากรรมที่หนักที่สุดกรรมที่หนักที่สุดไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะถ้าทำแล้วจะต้องตกนรกที่ขุมลึกที่สุดก็มีอยู่ห้าประการที่เรียกว่าอนันตาริยกรรมคือหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สาฆ่าพระ อ, อรหรันต์สทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดห้าทำให้สงแตกแยก การกระทาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคาราวาส ห, หรือเป็นนักบวชก็ต้องรับผลเหมือนกันหมดแล้วครับอาจารย์จากซีดีของอาจารย์ค่ะอาจารย์เื่อครา้ง่บอกว่าถ้าจริงจัง7ปีอาจารย์ก็บอกว่าถ้าคนมีจริงจัง7ปี น, น่าจะบรรลุได้หมายความว่าต้องอยู่ ในข้าหรือเปล่าที่รูปการที่นีก็ที่พระเจ้าทรงตัดไว้นี้ทรงแสดงให้กับพระภิกษุผู้ฟังเป็นพระภิกษุแต่ถ้าคารวะปฏิบัติแบบพระภิกษุได้ก็เหมือนกันก็ได้ผลเหมือนกันคือก็ต้องไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นมีแต่ปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเหมือนกับพระภิกษุตั้งแต่ตื่นจนหลับ สามารถควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้สามารถทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้แล้วพอออกจากสมาธิมาก็สามารถสอนใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าได้ในรูปเวทนาสัญญาสังขาริญ ย, ยานได้สามารถเห็นอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายได้อันนี้ก็สามารถบรรูุได้ อยู่ที่การปฏิบัติเหมือนกับการตักน้าเนี่ยตักน้าใส่ตุ่มเนี่ยคนสองคนคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงอีกคนใส่เสื้อสีขาวถ้าตักพร้อ ม, อมกๆกันเท่าๆกันมันก็น้ำก็เต็มตุ่มในเวลาเดียวกันมันไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่เครื่องเสื้อผ้าที่เราใส่ไม่ได้อยู่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นคารวา อยู่ที่การปฏิบัติที่มีอยู่สข้อด้วยกันคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความหุดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติถูกต้องนี่คือการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมา จะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความขยันอยู่ที่บารมีเก่าถ้าเป็นคนมีบารมีเก่าโดยเฉพาะปัญญาบารมีมีความรู้ความฉลาดแหลมคมก็จะบรรลุเร็วแต่ถ้าปัญญาทึบ ก, ก็ต้องใช้เวลาคอยสั่งคอยสอนอยู่ไปเรื่อยๆ ยังมีความแตกต่างกันบางคนสามารถบรรลุได้ภายในเจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีอันนี้ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับบรารมีเก่าบุญเก่าที่ได้ทาไว้สร้างบรารมีมามากมาน้อยถ้ามีมากก็จะสามารถบรรลุได้เร็วกว่าเหมือนกับคนที่ตักน้ําเต็มอยู่ครึ่งตุ่มแล้วก็ตักเพียงอีกครึ่งตุ่มก็เต็มแล้ว ส่วนใอคนหนึ่งยังไม่มีน้ำในตุบเลยอันนี้ก็ต้องตัดมากกว่าต้องใช้เวลามากกว่าแล้วเวลามาปฏิบัติมาตักก็อยู่ที่ว่าตักบ่อยหรือตักไม่บ่อยบางคนตักวันละสองขันบางคนตักวันละยี่สิบขันมันก็มีความต่างกันตรงนี้แต่ไม่ได้อยู่ที่เพศว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคารวา ในสมัยพระพุทธการนี้มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานทุกเพศทุกวัยทยั้งหญิงทั้งชายทาัง้ทงนักบวชทั้งนักคารวะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติเป็นหลักอยู t อันเธอพรีเซนนึโอเคพีสโอเค I hope you find success In both your monastery and your dharma practice, may you see the light of dharma soon. Okay. how e a r d h your e not good. Gone? g o n o n e e g e Gone? Gone? Gone? e g o o n e g o n n e n e g o n o n e Gone? e e n o e e n g n g เออเออก็ต้องยอมรับความจริงนะดูแลรักษาไปหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปเพราะเราทำอะไรไม่ได้ไปทุกข์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปอยากให้มันหายมันก็ไม่หายมันก็จะทุกข์ไปปล่าๆรักษาใจดีกว่าถ้าใจไปทุกข์แล้วไม่เป็นปัญหา ใช่ใน้องสอบอ่าก็เือนเยอะก็ยังด wi ียังน so ้อยร่วมเป็นห้องสอบออบางคนไม่รู้กันเลยว่าเป็นห้องสอบก็ิปขนาดขนาดแค่ร่างกายเราอล้างกายเออเวลาเราตายนี่คงจะต้องมากใช่หม่ะเจ้าบอกว่าให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม ตอนนี้เราเจอข้อสอบที่ให้สละอวัยวะอม่ยังยนกาบเรื่ว่าจางตอนแรกคิด็ปวดลล้มูก็ไม่เป็นไรก็อาเพื่อนเป็นองันแย่ก็เป็นเรื่องตีใจรู้่าเป็นองแต่เาเป็นอีกทีนงก็ตรงๆเดี๋ยวนี้เ๋ยีตรงอย่งอย่างอย่างไม่มันต้องคิดว่ามันต้องเร็วลงไปเรื่อยๆชีวิตของเราไม่มีดีขึ้นหรอก มีมันจะเสื่มลงไปเรื่อยๆเสื่มลงไปเรื่อยๆเป็นตอนนี้แค่นี้ถือว่าบุญแล้วไม่เป็นมากกว่านี mm hmm. เา้เตรียมรับทำใจดีสู้เสือไว้แล้วเสือจะไม่กัดถ้เาเร า, าไปตื่นเต้นตกใจเสือมันขขเขมบเข้มบเราเลยกัดเราเลยคือความทุกข์จะเข้าถึงใจเลยถ้าเราทำใจสู้เสือแล้วความทุกข์จะไม่เกิดทำใจดีสู้เสือแล้วจะไม่เกิดความทุกข์จะไม่โดงเสือกัด รูีสิกวเป็นย่งแย่อรงนี้พยายามฝึกทำสมาธิเยอะๆสมาธินี่แหละสำคัญเรามีปัญญากันทุกคนแล้วแต่เราไม่สามารถทำทำตามที่ปัญญาสอนได้คือปล่อยวางเพราะเราไม่มีกำลังกันเราจะน้องมานั่งฝึกนั่งสมาธิมาเจริญสติมาควบคุมความคิดของเราอย่าให้ลอยไปลอยมาให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องเดียว ให้รู้เฉยๆแล้วใจจะสงบเราจะปล่อยวางได้การปล่อยวางนี่ไปบังคับให้มันปล่อยไม่ได้อยากจะปล่อยแตนไม่ยอมปล่อยเพราะเราทำสมาธิไม่เป็นต้องทำสมาธิแล้วให้มันปล่อยเองให้อยู่กับเรื่องเดียวแล้วมันจะปล่อยเรื่องต่างๆได้หมดไปสั่งหมอให้ปล่อยไม่ปล่อยหรอก ต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงพุโทโธไปอย่างเดียวดูลมไปอย่างเดียวอย่าให้มันคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะปล่อยไปเองหนูเข้ามาต้องการอะไรเลยได้น้งสื่อไปอยัง คุณโยมมีอะไรเปล่านี่มาพอวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้พูดมากนั่งสมาธิอยู่ประมาณชั่วโมงโ เ, เสร็จแล้วก็ได้พูดประมาณสักสิบห้านาทีฝนก็กลับมาตกมาอีกก็เลยคุยตอปัญหากันเล็กเล็กน้อยๆอย่างที่คุณโยมได้ฟังเมื่อกี้นี้ก็เดี๋ยวเอาแผ่นซีดีไปเปิดก็ได้นะมีแผ่นซีดีมีหนังสือ อืมออจะถวายของก็หน <c oughs> um. ูหย he ิบหยิบของมาเข้ามาถวายคุณโยมนะรับอะไรจะถามไหม พยายามควบคุมใจควบคุมอารมณ์อ่าอ่าไปคิดเรื่องวแ่ไม่้ม่เป็นสภาพไมมีปัญหาบ้งไถ้าเราไม่ทุกข์กับอะไรก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งพอใจกับสภาพที่เรามีอยู่เป็นอยู่อันนี้ก็ถือว่าดีแ้วก็ไม่เสร็จกต่ว่าทำทุกวันนะค่ะ ตอนนี้จะดูเรื่องการมีอารมณ์จิตมันก็ไม่ได้ไปกับเขาเลยดูว่าเหมือนเราดูละครทีวีไปก็แล้วกันนะเราไปก็เอ่ออายุไปกับเขาแล้วเวลาเราตั้งสมาธิจิตมันไม่ได้ไ่แใช่อย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่สามารถที่จะไปกาหนดมันได้ ถ้าเราไปเกิดความอยากแล้วเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเราต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ในโลกนี้เขาก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยและในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็จต้องหมดไปคิดถึงกรุงศรีอยุธยาของเรา ก็เหมือนสม wow ัยน um ี ah ้แหละสมัยก่อนเขาก็มีเรื่องมีราวกันฆ่าฟันกันไปแก่งแย่งกันไปชิงดีกันไปแล้วก็ตายจากกันไปหมดพวกเราก็เหมือนกันพวกเราก็จะอยู่กันไปสักกี่ปีแล้วก็ตายจากกันไปหมดก็มีคนใหม่มาแทนมาแย่งมาแก่งแย่งชิงดีกันอยู่มันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นปกติของโลกเขาเราดูแล้วต้องรู้ทันอย่าไปหลง หลงก็จะทำให้เราเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาคิดว่า เ, เหมือนกับดูละครเรือ่องนี้เป็นโรงละครโรงใหญ่เราจะเป็นคนเล่นก็ได้จะเป็นคนดูก็ได้ถ้าเป็นคนเล่นก็เหนื่อยต้องไปเหนื่อยกับเขาถ้าเป็นคนดูก็จะไม่เหนื่อยอย่างพระเนี่ยท่านเป็ น, เ, ปนเหมือนคนดูท่านสระอ่า สถานภาพของคนเล่นละไม่เล่นด้วยละไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับละครลงนีล้ละขอเพียงแต่นั่งดูไปเฉยๆเท่านั้นเองสบายใจกว่าเยอะดีกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียแล้วมันวุ่นวายเวลาได้ก็ดีอกดีใจเวลาเสียก็โหเสียอกเสียใจเป็นคนดูดีกว่าดูแล้วสบาย เดี๋ยวก็จบด้วยกันทั้งคนเล่นทั้งคนดูคนดูไม่เหนื่อยคนเล่นเหนื่อยอยู่แบบคนดูดีกว่าให้รู้ทันแล้วปล่อยวางทำในส่วนที่เราควรจะทำทำได้ทำไปทำไม่ได้ก็ก็ต้องไม่ทำอะไร มันไม่จบหรอกมันจบตอนนี้มันก็มีตอนใหม่โผล่ขึ้นมาได้ไหมสมัยอาตมาเป็นเด็กๆก็ขับไล่จอมพลถนอมอาตมาขับไล่พวกคอมนิสต์อาตมาขับไล่สุจินดามันก็มีเรื่องขับไล่กันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบแล้วผมก็เคนมาขอ ขอให้ไปนะแล้เขาบอกเงนั้น็ของข้าเพราะว่าเขาอยากเอาไปทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่ไเสียโยนเงินเท่าไหร่ก็ทำบุญเลี้ยขอเล้ยขอก็ขอไปอย่างนั้นที่เราโยนเงิ น, เนที่เราให้เขาไปเนี่ยนะถุงเงินร้อยานะอบาทก็เก็บกั100บาร้อยบาทเลยที่จะ ไ, ได้เงินกลมาเราได้บุญแล้วเราได้ตอนที่เราให้เขาไปเนี่ยการให้นี้ไม่ไม่ว่าจะให้กับพระหรือให้กับค า, ารวะได้บุญเท่ากัน คือเราได้สละเงินที่เราหวงเรารักนี้ไปก็จะทำให้ใจเราสูงขึ้นเบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นอันนี้เราได้ในขณะที่เราให้ไปแล้วส่วนเขาจะไปทำต่อไม่ทำต่อนี่เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไปทำบุญต่อเขาก็ได้ถ้าเขาไปซื้อสุราดื่มเขาก็ไม่ได้บุญแต่เราก็ได้บุญเหมือนเดิมตอนที่ให้ไปแล้วให้กับอาตมา ก, ก็เหมือนกับให้กับอีกคนหนึ่ง ให้กับใครก็ได้การให้มันอยู่ที่ใจของเราเป็นแบบเราต้องการเสียสละจากะแบ่งปันไม่ยึดไม่ติดกับสมบัตินอกกายเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็จะไม่ได้ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วแต่ถ้าเราใช้เขาตอนนี้เราจะได้ประโยชน์เราได้ได้ได้การปล่อยวางเวลาเราจากเขาไปเราจะไม่ทุกข์กับการจากไป ถ้าเราปล่อยวางไม่เป็นเวลาจะต้องจากการเวลานั้นจะทุกข์มากนี่คื อ, อประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากการให้ทานเป็นบุญเป็นบุญก็คือได้ความสงบได้ความเบาใจสบายใจอิ่งใจพอใจ จะทำให้เราสามารถก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้สมมติว่าชาตินี้เรายังปฏิบัติธรรมขั้นสูงไม่ได้ยังบวชไม่ได้แต่ถ้าเราทำทานบ่อยๆเหมือนกับพระเวชสันดรนพอพระเวชสันดรตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วพอถึงเวลาจะออกบวชก็สะละราชสมบัติได้อย่างง่ายดาย เพราะว่าท่านเคยสละมาแล้วในสมัยที่เป็นพระเวชสันดรท่านไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะท่านเห็นว่าทมนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติทั้งปวงในโลกนี้ทรัพย์ที่แท้จริงคือบุญท่านเห็นอย่างนี้พอถึงเวลาที่ท่านจะไปรับไปปฏิบัติเพื่อให้ได้รับบุญขั้นสูงสุดท่านจึงสามารถสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้อย่างง่ายดาย ถ้าไม่เคยสละมาก่อนนี้จะสละไม่ได้จะติดอยู่กับทรัพย์สมบัติต่างๆอย่างสมัยนี้เราเห็นใครบ้างที่เป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่สละราชสมบัติแล้วไปบวชกันไม่มีหรอกหายากเพราะว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้ทําทานทําบุญมาอย่างมากมายเหมือนกับพระเวชสันดร น, นั่นเองดังนั้นขอให้เรา มองถึงประโยชน์ที่เราเพิงจะได้รับคือการที่เราจะได้ก้าวขึ้นสู่ทำขั้นสูงได้ปฏิบัติได้ออกบวชได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ที่เป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเองพอเราตายไปแล้วสมบัติเหล่านี้ไม่ได้ทำอะไรให้กับเราเลยเราเอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว แต่ถ้าเราเอาสมบัตินี้มาแปลงเป็นบุญเราเอาบุญติดตัวกับเราไปได้เพราะบุญเป็นทรัพย์ของเราอย่างแท้จริงบุญก็จะสนับสนุนให้เราไปเกิดในภพที่ดีได้มีความสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ทำขั้นสูงคือการรักษาศีลการออกบวชการปฏิบัติธรรมได้ขอให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ มีกำลังใจที่จะทําบุญให้ทานบางครั้งมันอดคิดไม่ได้ว่าเพอให้เวลาจะให้ใครให้พุก็เราจะไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่ากาเป็นเราส่งเสริมหรือเปล่าก็ต้องศึกษาก่อนไงศึกษาว่าคนที่จะรับงนเงินนี้เหมาะสมกับการที่จะรับหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมก็อย่าไปให้มีคนที่เหมาะสมรอรับอยู่เยอะยอะองค์กรสาธารณกุศล ต, ต่างๆ สภ า, ากาชาติไทยโรงเรียนเด็กพิการทางสมอง อ, อสถานที่เลี้ยงคนชราของอะไรต่างๆเหล่าเนี้เราทําได้เราสามารถเลือกเลือกได้ที่ว่าจะให้ใครใช่เ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นบุญเหมือนกันหมดเมื่อใดอยากจะทํากับพระก็ศึกษาดูว่าพระองค์ไหนท่านทําประโยชน์ให้อย่างสมัยหลงตาอยู่ท่านก็เป็นผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับโลกอย่างมาก ท่านไม่ค่อยกังวลกับเรื่องการสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรต่างๆท่านจะบมีความเมตตาสงสอรผู้ยากไร้ช่วยโรงพยาบาลช่วยอะไรต่างๆเหล่านี้หรือถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ทำเองก็ได้อย่างที่ได้ข่าวนี่ที่มีฝรั่งเขาสงสารคนยากจนเขาก็ไปที่ซุเปอร์มาร์เก็ต แล้วเวลาคนซื้อของมาจ่ายเงินเขาก็จ่ายให้แทนคนยากจนเขาก็ โ, โห่ื้มปิติยกมือไหว้อย่างไปช่วยผย่อนคลายค่าใช้จ่ายเพราะ็ซื้อกับข้าวกับปลาอาหารเขาก็เป็นคนรับจ่ายให้เลย อันนี้ก็เป็นบุญทําบุญแบบเนี้ยได้บุญจริงๆเพราะเราเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจเกิดความปิติแล้วเราเห็นผลทันตาเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์ทันตาตัว อ, อย่างที่เราไปช่วยคนไฟไหม้น้ําท่วมอย่างเงี้ยก็แบบเดียวกันแต่ระวังบางทีจะทําอะไรแต่ละครั้งนี่กิเลสมันจะมาหาข้ออ้างไปหมดเลย คนนี้ไม่ดีคนที่ดีแต่มีมากแล้วมันก็เลยทาไม่ได้สักทีคนไม่ดีก็ไม่อทำด้วยคนดีเขาก็มีคนให้มามากแล้วถ้าเผื่อเราให้เขาปุ๊บเน่ยนะคะแล้วเขาเนี่ยชอบทำดากเลยเข า, าเนี่ไทเป็นยูเป็นเอ็ น, เ น, เ, นเนี่ยนะคะไอด้ดกก้อนเนี่ยนะคะเราจะมีสวนได้ไหมหว่าเป็นของเขาหมด เราเราได้ตอนที่เราให้เขาแล้วไงอย่างเช่นโยมให้หลวงตาอเงี้ยก็โยมก็ได้แล้วที่หลวงตาจะไปทำไงต่อ น, นี้เป็นของหลวงตาหมดแล้วยอมจะได้ก็ตรงที่อนุโมทนาร่วมบุญด้วยชื่นชมยินดีกับการให้ของเขาแต่ถ้าโยมไม่อนุโมทนาโยมเสียใจบอกโอไม่น่าจะไปทำโยมก็จะไม่ได้บุญส่วนนี้แต่บุญขั้นต้นใีโยมได้แล้ว บุญที่เกิดจากการให้จาคะนิยมได้แล้วเรื่องของเขาเออใาชา่ของใครของมันเพราะเป็นเงินของเขาแล้วเป็นท ร, รัพย์ของเขาแล้วถ้าเขาเก็บไว้เขาก็ไม่ได้บุญถ้าเขาเอาไปทาเขาก็ได้บุญเหมือนกับงท ร, รัพย์ของเราเรามีเราได้มาเราเก็บไว้เราก็ไม่ได้บุญถ้าเราเอาไปให้ผู้อื่นเราก็ได้บุญ บุญมันก็เป็นทอดทอดไปยังยอมถวายของมาอาตมามีมากแล้วอย่อาตมาก็ให้องค์อื่นต่อไปให้ภาพลูกอื่นต่อไปอาตมาก็ได้บุญจากการให้แต่ไม่ได้ของแล้วของสละไปแล้วแต่แต่บุญมันดีกว่าของของถ้าเรามีพอแล้วเก็บไว้เฉยเฉมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้บุญอย่างได้ข่าวบางแห่ง้าบางรูป ในกุติข้าวของเต็มไปหมดหาที่นอนไม่เจอหนึ่งท่านสอนให้คนอื่นทำทานแต่ตัวท่านเองกับตนันนีไม่ยอมทำทานหนูมีอะไรรึเปล่ า, าจะถวายของรอเปล่าคิดว่าพอสมควรแก่เวลานะ สี่โมงกว่าแล้วขอยุติไว้เพียงที่นี้ขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ